ชีวิตทุกชีวิตเริ่มต้นและลงท้ายเหมือนเมือนกันไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเศรษฐีหรือยาจกของมหาราชาหรือของคนต่างต้อยคือเริ่มต้นและลงท้ายก็ได้เสียงคล่าครวญและเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกมนุษย์ก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเขาก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่น ร้องไห้เด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะนวงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแ บ, บมือออกเหมือนเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้เลย เหตุการณ์ในชีวิตเป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะหาได้เป็นบทเรียนที่มนุษย์ต้องจดจำโดยไม่ต้องท่องเลยแม้แต่น้อยบทเรียนจากตำราเป็นเรื่องที่จะต้องท่องจำจึงจะจำได้และเมื่อจำได้แล้วเราก็ต้องพยายามทบทวนเพื่อไม่ให้ลืมแต่บทเรียนจากชีวิตเป็นเรื่องที่เราจำได้โดยไม่ต้องท่องและพยายามจะให้ลืมเสีย แต่ก็น้อยนักที่เราลืมได้นี่คือลักษณะการแห่งบทเรียนจากชีวิตคำสั่งสอนของท่านผู้ใหญ่ส่วนมากหรือแทบทั้งหมดทีเดียวได้มาจากบทเรียนแห่งชีวิตทั้งสิน้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างหาประมาณไม่ได้ชีวิตคลาคล้าไปด้วยความสมหวังและผิดหวังความสุขความทุกข์รอยยิ้ม และคราบน้ำาตาความชื้นสุกความเจ็บช้ำสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ทุกครั้งที่เราผิดหวังเราจะเข้าใจชีวิตและโลกดีขึ้นความผิดหวังที่รุนแรงแม้จะทำให้เราชอกช้ำแต่ก็มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจความรู้สึกอันลึกล้ำของผู้อื่นมิฉนั้นแล้วบางที เราอาจจะถูกหลอกอยู่ร่ำไปความผิดหวังหากเราไม่ยอมคุกเข่าให้แกมันมากเกินไปบางทีและมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอคือช่วยเสริมสร้างให้เรามีหัวใจอันแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและความผิดหวังที่จะมีมาอีกข้างหน้าเหล็กที่ผ่านไฟแล้วเป็นเหล็กกล้าแข็งกว่าและคมกว่าเหล็กธรรมดา น้ำที่ผ่านน้ำแข็งแล้วจะเป็นน้ำเย็นชีวิตที่ผ่านอุปสรรคและความผิดหวังมามากทำให้เจ้าของชีวิตกล้าเผชิญหน้ากับความผิดหวังและเป็นความกล้าที่สงบเยือกเย็นมองในแง่ของปรัชญาที่ละเอียดอ่อนชีวิตคล้ายความฝันจะต่างกันก็แต่เพียงเป็นความฝันในระยะยาวเท่านั้นมองในมุมกลับความฝันก็คือ ชีวิตจริงในระยะสั้นบุคคลผู้ขึ้นถึงความจริงข้อนี้แล้วย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้บ้างก็จะมีอะไรหรือที่เราควรยึดมั่นถือมั่นในเมื่อความหวังต่างๆของมนุษย์เราเป็นเสมือนภาพที่ลอยมาในอากาศเมื่อภาพนั้นยังไม่ถึงมือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะเป็นของเราเมื่อถึงมือเราแล้ว เราก็นลกว่าความหวังอันเป็นเสมือนความฝันอันเลื่อนลางนั้นเป็นความจริงขึ้นแล้วแต่อะไรเล่าคือความจริงสิ่งที่เราพากันยึดมั่นว่าเป็นความจริงในวันนี้จะยังคงเป็นความจริงตลอดไปหรือในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงดวงใจของพวกเรายังแน่นอัดไปด้วยความลังเลสงสัยและความไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหน้า สิ่งที่จะให้ความสุขความเพลินใจแก่เราในวันนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ให้ความทุกข์แกเราในวันหน้าในทํานองเดียวกันสิ่งที่ทำให้เราทนทุกข์ทรมานในวันนี้อาจจะให้ความชื่นสุขแก่เราในวันหน้าก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีมากมาในรูปรอยแห่งสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารัก มากมาในรูปรอยแห่งสิ่งที่น่ารักความทุกข์มากมาในรูปรอยแห่งความสุขเพราะเหตุนี้คนจึงมัวเมาลุ่มหลงกันนักมนุษย์เราเกิดมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งสภาวะแห่งการเกิดและสาเหตุที่ทำให้เกิดดังนั้นมนุษย์จะแตกต่างกันบ้างในเรื่องปลีกย่อยอื่นๆแต่สิ่งที่ร่ำรวยอยู่โดยทั่วกันทุกคนก็คือความทุกข์ บุคคลจะขาดแคลนสิ่งใดบ้างก็ตามแต่เขาไม่เคยขาดแคลนความทุกข์เลยมันต่างกันแต่เพียงปริมาณและรูปลักษณะแห่งความทุกข์เท่านั้นลักษณะเช่นนี้เองบุคคลผู้มีสติปัญญาจึงไม่ควรตีโพยตีภายในเมื่อประสบกับความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทำให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมาก ในวันหน้าทานองเดียวกันไม่ควรหลงระเริงในความสำเร็จบางอย่างจนเกินไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนำไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่คงที่ไม่หวันไหวหรือมีความหวันไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีนำไปสู่ความสงบ โลกนี้เปรียบเสมือนสนามกีฬาใหญ่ซึ่งชีวิตแต่และชีวิตเป็นนักกีฬาโดยกำเนิดทุกคนต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่อสู้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บชีวิตนี้เป็นที่รักดังนั้นทุกคนจึงกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตนี้ยังคงอยู่และให้ชีวิตนี้ ได้รับความสะดวกสบายแม้คนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะว่ารักชีวิตนั่นเองเขาไม่อาจทนดูความทุกข์ทรมานแห่งชีวิตซึ่งเขายึดถือเป็นเจ้าของเขาต้องการให้ชีวิตที่เขารักมีความสุขยิ่งเท่านั้นแต่เขาไม่อาจที่จะทำได้ตามต้องการเหมือนบุคคลจำเป็นต้องตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งเพราะว่ามีโรคร้ายเกิดขึ้น จนไม่อาจที่จะเยียวยารักษาได้จะว่าบุคคลผู้นั้นไม่รักอวัยวะอย่างนั้นหรือเมื่อเวลาทุกข์ก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปแต่เวลาสุขสบายสนุกสนานเราก็ควรทําตัวให้สนุกสนานบ้างถ้าฝนตกอยู่ทั้งวันและทุกๆวันโลกนี้ก็คงจะเจิ่งนองไปด้วยน้ําถ้าแดดออกทั้งวันและทุกๆวันโลกนี้ ก็จะแห้งเกรียมจนมนุษย์เราอยู่ไม่ได้นี่เพราะฝนตกบ้างแดดออกบ้างเราจึงอยู่ได้อย่างทุกวันนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่ออากาศอบอ้าวร้อนจัดแสดงว่าอีกไม่ช้าฝนก็จะตกเมื่อฝนตกเสหายใหญ่แล้วอากาศก็จะปลอดโปรง่งแจ่มใสน่าอภิรมชมชื่นชีวิตเป็นแบบเดียวกันนี้ เรียนเรื่องศิลปะในการจูงใจผู้อื่นให้มีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของเราต้องทําอย่างนุ่มนวลและเป็นไปพร้อมด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ใช่ทําด้วยความอวดเก่งและประนามแนวคิดของผู้อื่นว่าเป็นความคิดที่ผิดหรือชั่วร้ายใช้ไม่ได้คนเราทุกคนล้วนมีทิฏฐิมานะด้วยกันคนละมากๆทั้งสิ้น เขาจะลื้อร้านยิ่งขึ้นถ้าเราขาดความเห็นอกเห็นใจและประนามว่าความคิดเห็นของเขาผิดและเราแสดงความเกลียวกลาดพยายามพิสูจน์ให้เห็นความผิดความบกพร่องของเขาเมื่อมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาชนะผู้อื่นได้ด้วยวิธีขัดแย้งอย่างรุนแรงและดูถูกเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้เพราะคนที่จำใจต้องเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เชื่อนั้นความคิดเห็นของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าเราโต้แย้งอย่างรุนแรงพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจและเถียงอย่างไม่ลดลาวาศเราอาจจะประสบชัยชนะในบางครั้งแต่มันเป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าทั้งนี้เพราะด้วยวิธีการอันนี้เราจะไม่สามารถได้รับไมตรีจิต จากอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยความไม่เข้าใจต่อกันจะไม่สามารถระงับได้ด้วยการโต้แย้งที่ขาดความระมุนระมัยแต่จะระงับลงด้วยการรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวความสุขุมรอบครอบความประนีประนอมความเห็นอกเห็นใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นแง่คิดของอีกฝ่ายหนึ่งการกระทาและความคิดเห็นของมนุษย์เรา อาจจะผิดได้เสมอในการกระทาและการตัดสินใจร้อยครั้งถ้าสามารถถูกได้ถึง55บหครั้งก็นับว่าดีแล้วเราเองยังไม่สามารถทำอะไรถูกทั้งหมดได้เลยแล้วทำไมเราจะด่วนตัดสินความคิดเห็นและสติปัญญาของผู้อื่นว่าผิดและไม่เหมาะสมไปเสียหมดเล่าการประนามอย่างรุนแรงว่าผู้อื่นผิดนั้น เป็นการทำลายความภูมิใจของเขาความเคารพในตนเองของเขาผลก็คือทำให้ผู้นั้นต้องการตอบโต้และขัดขืนวิชาจิตวิทยาได้ให้แง่คิดแก่เราไว้ว่าสาหรับมนุษย์นั้นเราจะต้องสอนเขาเหมือนไม่ได้สอนนั่นคือสอนเขาอย่างมีชั้นเชิงสิ่งใดที่เขาไม่รู้จงสอนแก่เขาเหมือนหนึ่งว่า เขาได้ลืมไปที่เราต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเรารู้หลักความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่ามีมนุษย์อยู่ไม่กี่คนในพื้นพิพนี้ที่เป็นผู้เพียกพร้อมไปด้วยเหตุผลพวกเราส่วนมากต่างเป็นสัตว์โรคที่ยังมีอคติคือมีความลําเอียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลําเอียงเข้าข้างตนเองพวกเราส่วนมาก ต่างก็ยังอยู่ในอำนาจของความหวาดระแวงความลิษยาและความขี้สงสัยความกลัวความต้องการและทิฐิมณะด้วยเหตุนี้เราจะพบว่าในบางครั้งเราจะเปลี่ยนใจของเราเองอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีเรื่องขัดใจหรือเกิดความสะเทือนใจอันรุนแรงใดใดแต่ถ้ามีใครมาบอกเราว่าเราผิดเราจะรู้สึกโกรธเคือง ในคําบอกเล่านั้นและใจของเราจะเกิดอาการกระด้างกระเดื่มขึ้นมาเราต่างเป็นคนที่ไม่สู้จะเอาใจใส่เสียเลยว่าความเชื่อถือของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างแต่ถ้าหากมีใครมาค่มเหงน้ําใจเราเราจะเกิดความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเราไม่ได้หวงแหนความคิดเห็นของเราเท่าไหร่นักดอกแต่เราหวงแหน ความนับถือตนเองโดยจะไม่ยอมให้ถูกคมคู่ต่างหากความสุภาพอ่อนโยนและไม่ตีจิตจะต้องมีอำนาจมากกว่าความฉุนเฉียวเกลียวกลาดและการใช้กำลังบังคับเสมอเป็นความจริงที่ว่าถ้าบุคคลใดมีจิตใจปวดร้าวอยู่ด้วยความคุ้นแค้นและโกรธเคืองเราเราจะไม่สามารถจูงใจให้เขาคล้อยตามความคิดเห็นของเราได้ แม้จะใช้หลักตรรกศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกบิดามารดาที่ชอบดุดานายหรือสามีที่ชอบใช้อำนาจหรือภรรยาที่ชอบจูจ้จี้ควรจะทราบว่าจากการปฏิบัติดังกล่าวนี้จะไม่อาจทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนใจแต่ตรงกันข้ามถ้าเรามีวิธีการที่สุภาพอ่อนโยนเป็นกันเองยิ่งอ่อนโยน และยิ่งเป็นกันเองมากเท่าใดก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นมนุษย์เราโดยปกติไม่ชอบให้ใครสอนและไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าตนทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดในการสอนมนุษย์ ก็คือสอนโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราสอนและการสอนที่ดีที่สุดนั้นก็คือการทําตัวอย่างให้ดูบุคคลผู้มีความยุติธรรมแก่ตนเองย่อมประสบทางแห่งความสงบใจโดยง่าย เพราะบุคคลประเภทนี้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตย่อมหันมาพิจารณาตัวเองก่อนเสมอแทนที่จะลงโทษใครต่อใครพยายามวินิจฉัยตนเองด้วยความยุติธรรมแล้วจะมองเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่หลอกลวงผู้อื่นไม่หลอกลวงตนเองเมื่อเป็นดังนี้จิตใจย่อมสงบอยู่เสมอไม่มีอะไร มาทำให้บุคคลประเภทนี้เดือดร้อนอยู่นานได้เลยคนเราทุกคนเกิดมาเป็นหนี้สังคมของกินของใช้เครื่องอนวยความสะดวกอื่นๆซึ่งเราได้รับตั้งแต่แรกเกิดมานั้นทั้งหมดเป็นของสังคมเราสะดวกสบายอยู่ในถ้ำกลางการเสียสละของคนส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราต้องทำประโยชน์แก่สังคม เพื่อเป็นเครื่องตอบแทนสังคมบ้างอยากคิดแต่เรื่องสะดวกสบายส่วนตัวอย่างเดียวความกลมเกลียวสามัคคีเป็นความผาสุกเป็นความร่มเย็นอย่างยิ่ง บ้านใดมีความสามาคัคคีแม้จะลำบากยากจนแต่ก็ยังหาความผาสุกได้มากกว่าบ้านที่มั่งคัง่งร่ำรวยแต่แตกแยกแตกความสามัคคีกันมองกันอย่างไม่สนิทคอยระแวงซึ่งกันและกันความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสำหรับหมู่คณะหมู่คณะที่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น จะทำลายอุปสรรคกีดขวางความก้าวหน้าได้อย่างดีและสามารถบุกบันไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความกลมเกลียวสามัคคีของหมู่คณะเป็นเครื่องรองรับความสำเร็จและนำความสุขความเจริญมาให้ อยู่ด้วยความหวังหวังจะได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้คนที่เป็นโรคแม้หมอจะบอกว่าโรคนี้ไม่มีโอกาสหายในชีวิตนี้แต่คนที่เป็นโรคก็ยังหวังหวังว่าจะหายสักวันหนึ่งแต่โรคที่รบกวนอยู่ทุกวันคือโรคของกิเลสจะมีใครที่ใดบ้างไหมหวังว่าตนจะหายจากโรคนี้ มันมีผลร้ายแรงยิ่งกว่าโลกสามัญมากนักแต่คนส่วนมากดูเหมือนจะทอดอะไรตายอยากในการที่จะดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากวงล้อมของกิเลสนั้นเมื่อเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ ง, งก็จะมีอำนาจอยู่สองอย่างในตัวเราต่อสู้กันก่อนคืออำนาจฝ่ายต่ำและอำนาจฝ่ายสูงหรือทางจิตวิทยาเรียกว่าตัวนอกและตัวใน ทั้งสองนี้มักจะมีความเห็นขัดกันอยู่เสมอฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรทำอีกฝ่ายหนึ่งจะเห็นว่าไม่ควรทำโดยเฉพาะเรื่องสำคัญด้วยแล้วทั้งสองฝ่ายจะขัดแย้งกันอย่างมากก่อนที่บุคคลผู้นั้นจะตกลงใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปถ้ายอมแพ้แกอำนาจฝ่ายต่ำก็จะทำอะไรลงไปตามอำนาจกิเลสตัณหา ถ้าเอาชนะฝ่ายต่ำได้ยอมตนให้อยู่ในความคุ้มครองของอำนาจฝ่ายสูงก็จะทำด้วยจิตใจที่สูงในขณะที่รู้จักผิดชอบชั่วดีการทำอะไรด้วยอำนาจฝ่ายต่ำชักนำนั้นมักจะมีความเพลิดเพลินในเบื้องต้นแต่จะให้ความเสียใจในภายหลังเพราะอานาจฝ่ายต่ำมักจะเกิดขึ้นในขณะที่มีอารมณ์ยั่วยวนส่วนอานาจฝ่ายสูง เกิดขึ้นเพราะเหตุผลอารมณ์ที่ยั่วยวนทําให้คนดื่มดําในอารมณ์นั้นจึงให้ความเพลิดเพลินในเบื้องต้นอบายามุกและของเสพติดที่ให้โทษทุกอย่างมีความยั่วยวนและมีรสเมาอยู่ในตัวทั้งสิน้นอารมณ์ของคนเราเป็นสิ่งสําคัญมากคนจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายก็อยู่ตรงที่เอาชนะอารมณ์ตัวที่ขัดกับเหตุผลได้หรือไม่ ไฟที่เกิดจากไม้ไม่ว่าชนิดใดย่อมมีเปลวแสงและสีเหมือนกันฉั้นใดบุคคลผู้ฉลาดมีความเพียรพยายามรู้จักกีดกันบาปด้วยฮีริแม้จะเกิดในตระกูลต่ำก็อาจเป็นบุรุษอาชานายได้ชีวิตไม่มีใครลิขิตได้พระพรหมก็ลิขิตไม่ได้ตัวบุคคลนั่นเองเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนเอง คนทุกคนมีทางให้เลือกเดินคนละหลายๆทางแล้วแต่จะเลือกเอาเพราะฉะนั้นชีวิตจะดีหรือเลวก็แล้วแต่การกระทําของบุคคลผู้เป็นเจ้าของชีวิตนั้นมนุษย์ไม่เคยได้ความสุขความเบิกบานอะไรมาเปล่าๆโดยไม่ต้องลงทุนเสีก่อนความสุขที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ได้รับมักจะต้องเอาความทุกข์เข้าแรกก่อนเสมอ บางทีก็ได้คุ้มบางทีก็ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ต้องลงทุนไปท่านรู้สึกด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าและความทุกข์ทรมานที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วจาต้องทนแบกไปเหมือนแบกศิลาก้อนใหญ่ไปบนเส้นทางชีวิตยิ่งไปไกลมากเท่าใดก็ยิ่งหนัก และเหน็ดเหนื่อยมากเท่านั้นมีใช่เพราะความดีหรือที่ทำให้ท่านต้องระลึกถึงใครคนหนึ่งอยู่มีเว้นว่างมีใช่เพราะสายสัมพันธ์ทางใจ อันค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยแล้วกระชับเกลียวของมันอย่างแน่นหนาดอกหรือที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมยอมแบกภาระอันทั้งหนักและเหน็ดเหนื่อยทั้งไม่รู้เบื้องปลายว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดมิใช่เพราะความดีของเขาดอกหรือที่ทําให้ท่านเคยยิ้มทั้งน้าตาเคยละหกละเหินจากที่หนึ่ง สูตรที่หนึ่งเพียงเพื่อได้เห็นเขาได้ฟังเสียงเขาให้เขาได้ปลอบประโลมใจเมื่อท่านเศร้าให้เขาได้พลอยชื่นชมเมื่อท่านสุขมาดาได้เคยหลั่งน้ำตาที่ละคนด้วยปิติสุขเพราะความดีของลูกบิดาเคยทิ้งขวดสุราและกริยาเสเพพอระลึกถึงคุณความดีของลูกแล้วยิ้มให้กับโลก อย่งอ่อนหวานบุตรธิดาได้เคยมีดอกไม้ทูกเทียนในมือพลางคุกเข่าลงเบื้องบุรภาคแห่งฉายลักษ์ของท่านผู้บังเกิดกล้าวและน้อมรำลึกถึงพระคุณอันเสรศยิ่งมิตรที่ดีได้เคยพลีชีพของตนเพื่ออุทิศแก่กัลยาณมิตรผู้ตกอยู่ในห่วงอันตรายพระละลึกถึงอุปการะที่สหายเคยทำให้ ชายหนุ่มผู้มีเกียรติยิ่งอุดมด้วยคุณลักษณะแห่งบุรุษผู้เกลียงไกลไม่เคยหวั่นเกรงแม้อาจยาแห่งสวรรค์ได้เคยคุกเขา่าลงเบื้องหน้าของสุภาพสตรีผู้อุดมด้วยน า, นานาคุณลักษณะเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าแห่งความดีอัญเชิญให้บุรุษยินยอมมอบหัวใจให้ฝ่ายสตรีเล่าแม้เคยพยองในศัตว์หญิง ประพฤชตนเยี่ยงมาลีในสวนหลวงอันเป็นที่หวงห้ามยากที่ใครจะเอื้อมถึงแต่เมื่อกระทบกับความดีของบุรุษเข้าความพยองนั้นก็พลันมาลายกลายเป็นความอ่อนน้อมยอมให้เขาเป็นเจ้าของทั้งร่างกายและดวงใจอ่ความดีช่างมีพลานุภาพอะไรเช่นนั้นมันมีความหอมหวานนุ่มนวล ชวนให้ระลึกถึงอยู่ชั่วนิรันดร์การอะไรเล่าจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงดวงใจสองดวงให้มีความผูกพันมั่นคงไม่รู้จักสูญสลายยิ่งไปกว่าค่าของคุณงามความดีแม้ความตายมาพรากร่างกายไปแต่คุณงามความดีที่ฝังใจอยู่มิอาจจะถูกพรากไปด้วยได้ดอกไม้มีสันฐานดีสีงาม แต่ไร้กลิ่นจะมีคนชื่นชมไปนานสักเท่าใดชีวิตที่ไร้คุณงามความดีเป็นเครื่องประดับก็เป็นเช่นดอกไม้นั้นอะไรเล่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงสุขเมื่อระลึกถึงเสมอด้วยคุณงามความดีมันก่อให้เกิดความปราโมดเป็นเครื่องโสลสสงดวงจิตให้ผ่องใสประหนึ่งสายวารีไหลผ่านซอกศิลา พาเอาความชุ่มเย็นติดมาให้กับผู้ที่ลงอาบชุ่มฉ่ำก็ปานกันน้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่มอดโจรนำไปไม่ได้ก็คือคุณงามความดีนี่เองหอมไปทั้งตามลมและทวนลมยั่งยืนยิ่งกว่าสวยงามยิ่งกว่าสถาปัตยกรรมใดๆในโลกนี้คนทั้งหลายทั่วๆไปคิดถึงแต่ร่างกาย ชีวิตหวงแหนแต่ร่างกายและชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคจากการกระทําร้ายของศัตรูภายนอกแต่ศัตรูภายในคือกิเลสซึ่งห้ามหันย่ำยีตนมาเป็นเวลาอันยืดยาวนั้นไม่ค่อยได้คำนึงถึงในทะเลชีวิตนี้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทนลำบากมาชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่ามาไม่รู้จักเท่าใดการที่จะยอมลาบาก เสียสักครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเกิดมาระบากอีกในชาติต่อๆไปนั้นเป็นสิ่งที่คนคิดกันน้อยและค่อนข้างกลัวตราบใดที่กิเลสยังอยู่กับตนก็ยังเกิดอยู่ร่ำไปและการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นความทุกข์บางครั้งบางชาติอาจจะเผลอพลัง้งตกลงไปในอบายย่อมได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสคนที่ไม่ยอมทนทุกข์เล็กๆน้อยๆ จะต้องได้รับทุกใหญ่คอยอยู่เบื้องหน้าแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังยอมที่จะนำตนเข้าไปพัวพันผูกมัดกับพันธะกรณีต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่ได้รับตอบแทนมากก็คือความเหน็ดเหนื่อยกระหืดกระหอบความบอบช้ำทั้งร่างกายและวิญญาณ มนุษย์ส่วนใหญ่ยอมให้ตันหามีอำนาจเหนือตนยอมเป็นทาสกิเลสอย่างไม่มีที่หลีกเลี่ยงไม่มีข้อทักทวงท่านสาธุชนทั้งหลายความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับจากตันหาก็เป็นเพียงรางวัลอันเล็กน้อยที่นายผู้เหี้ยมโหดทารุณเป็นผู้หยิบยื่นให้เพื่อเป็นเหยื่อล่อเราไว้ใช้อีกต่อไปนายคือกิเลสจึงเป็นนายที่ทารุณ ว่าผู้ทารุณใดๆเพราะมันทำให้เราต้องระหกระเหินบอบชำ้ำและทุกข์ทรมานอยู่วันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีทางหยุดหย่อนผ่อนพักขอท่านทั้งหลายจงทำความเพียรให้ถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงเพื่อให้ได้บรรลุในสิ่งที่ควรบรรลุเพื่อการกระทำให้แจ้งจนสามารถเอาชนะตัณหาอุปาทาน อันเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์ในปัจจุบันโดยทั่วกันเถิดสำหรับวันนี้เวลาของรายการปลุกให้ลุกขึ้นทำความเพียรได้สิ้นสุดลงแล้วขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมจงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ใกล้รมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินจเจริญธรรม